เดี๋ยวนี้มีคนหลายชาติตั้งแต่ถ่ายทอดสดไปคนก็เลยรู้จักกันถ่ายทอดสดทุกวันตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดอยู่ใดี๋ยวนอยู่ที่ไหนก็ติดตามฟังได้มีคำถามก็ส่งข้อความก็มาถามได้ก็เลยมาก็ได้ไม่มาก็ได้ สมัยนี้การสื่อสารสะดวกรวดเร็วถ้ามาใช้ในทางธรรมะก็เกิดประโยชน์ถ้าหลวงตาอยู่ตอนนี้มีถ่ายทอดอย่างนี้ก็คนก็ติดตามกันตลอดเวลาอยากจะถามคำถามก็ส่งข้อความเข้ามาได้มีใครอยากจะถามอะไรไหม เราจะทราบเรื่องเวทนาทางจิตกับการปฏิบัติครับคือเวทนามันก็มีทางร่างกายกับทางจิตใจทางร่างกายก็เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราเจอทุกขเวทนาเวลาที่เรารับประทานอาหารอิ่มเราก็จะสุขเวทนา เวลาที่เราไม่ได้รับไม่รับทานอาหารอิ่มเวลาไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เจอเวทนาแบบไม่สุขไม่ทุกเวทนาทางร่างกายมีสามสามชนิดด้วยกันพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีเราก็บังคับได้แก้ได้บางทีเราก็แก้ไม่ได้ ท่านถึงเรียกว่าเป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในความควบคุมบังคับของเราเสมอไปเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะให้มันหายเจ็บมันยังไม่หายมันมีเหตุต้องกําจัดเหตุก่อนเช่นมีเชื่อโรคหมอก็ต้องให้ยารับประทานก่อนรับประทานแล้ว พอเชื้อโลกถูกทำลายหมดทุกเวทนาไข่ก็หายไปเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายไปแต่บางทีก็เจอโรคที่เมาะยารักษาไม่ได้ก็ต้องตายไปก็มีสมัยแรกๆที่เกิด HIV ขึ้นมายาไม่สามารถที่จะต้าน HIV ไได้คนที่ติดเชื้อก็ต้องตายไป แต่สมัยนี้เขามียาที่ต้านได้แต่ทําลายมันไม่ได้ต้องกินยาถ้ามียากินก็ไม่ตายติดเชื้อแล้วแต่ก็ไม่ตายอันนี้เป็นความทุกข์ทางร่างกายเมื่อเกิดความทุกข์ทางร่างกายมั ก, ก็จะทําให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจขึ้นมาอีกด้วยความทุกข์ทางจิตใจนี้เกิดจากความอยากต่างๆ เช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็อยากให้มันหายพอเกิดความอยากให้มันหายแล้วมันไม่หายเราก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอีกอีกชั้นหนึ่งเป็นความทุกข์สองชั้นด้วยกันหรือบางทีไม่เกี่ยวกับร่างกายของเราเกี่ยวกับคนอื่นเช่นอยากให้คนอื่นเขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ แล้วพอก็ไม่ทำเราก็ทุกใจไม่สบายใจก็เกิดจากความอยากของเราเองหรือเวลาเราอยากจะไปเที่ยวแล้วเราไปไม่ได้เราก็ทุกข์ใจขึ้นมาอีกคนที่ติดรูปเสียงกลิ่นรสเวลาอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสแล้วไม่ได้เสบก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ความทุกข์ใจนี้เราสามารถระงับได้ถ้าเรามีธรรมะมีสติมีปัญญาสติก็สามารถที่จะระงับความไม่สบายใจความทุกข์ใจได้ชั่วคราวเช่นเวลาเราไม่สบายใจกับคนนั้นคนนี้ถ้าเรามานั่งสมาธิมาพุโทโธพุโทโธ จรอนสติควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเราไม่คิดความไม่สบายใจก็หายไปความอยากที่จะให้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ถูกระงับไปเพราะเราไม่ได้คิดถึงมันแต่พอเราออกจากสมาธิมาพอเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดความอยาก ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนีก้ก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอีกอันนี้เป็นการระ ง, งับความไม่สบายใจความทุกข์ใจชั่วคราวด้วยสติถ้าอยากจะระ ง, งับให้มันหายอย่างถาวรเราต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือพระพุทธเจ้าให้เรามอง ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่ยางที่เราไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วมันไม่อยู่ภายใต้การบังคับของเราเช่นร่างกายของเราอย่างนี้มันไม่แน่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะไม่สบายใจ แต่ถ้าเราใช้ปัญญามองแล้วเห็นนล ว, ว่าความร่างกายยังไงยังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะไปอยากหรือไม่อยากมันก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไปอยากก็เราก็ทุกข์ถ้าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไม่อยากเราสู้อยู่เฉยๆดีกว่า ยอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายความทุกข์ใจก็จะไม่มีนี่คือเรื่องของเวทนาทางใจคือความรู้สึกทางใจคำว่าเวทนานี้เราไม่ได้หมายถึงเราพูดถึงเวทนาทางร่างกายเวทนาทางใจเราเรียกว่าทุกทุกในอริยสัจสีในเวทนาทางใจมีอยู่แค่สองอย่างมีทุกข์หรือไม่ทุกข์นันเอง ถ้าอยากก็ทุกข์ถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์จิตใจเรามีแค่นี้ที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราปฏิบัติก็เพื่อให้หยุดความอยากต่างๆนั่นเองถ้าหยุดความตหยุดหยุดความอยากต่างๆได้แล้วจะไม่ทุกข์ถ้าหยุดไม่ได้จะทุกข์ทุกครั้งที่อยากปั๊บนี่มันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเองแต่อยากก็ทุกข์แล้วเพราะอยู่เฉยๆไม่ได้แนละ้ว เช่นตอ น, นอยากดื่มกาแฟนี่ก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้นะเดี๋ยวต้องขยับนุ่นขยับไปเดี๋ยวก็ต้องเดินออกไปหากาแฟมาดื่มพอดื่มแล้วความอยากหายไปชั่วคราวความทุกข์ก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวพอความอยากดื่มเกิดขึ้นมาใหม่ก็ทุกข์ใหม่เนี่คือ เรื่องของความทุกข์ใจเกิดจากการทําตามความอยาก mm hmm. พระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าอยากจะไม่ทุกข์ใจก็อย่าไปทําตามความอยาก mm hmm. เวลาอยากจะดื่มกาแฟก็ฝืนใจฝืนมันยอมยอ ม, ยอมทรมานสักพักหนึ่งเดี๋ยวกําลังของความอยากมันอ่อนลงความทุกข์ก็จะเบาลงแล้วเดี๋ยวก็จะหายไป แต่ถ้าเราไม่มีกำลังที่จะอดทนเราก็จะทนไม่ไหววิธีที่จะแก้ก็คือเราต้องสร้างกำลังใจขึ้นมากำลังใจก็คือสติกับปัญญานี่เวลาเราเกิดความอยากกาแฟแล้วเรารู้สึกทรมานใจทุกข์ใจเราก็ใช้สติก็ได้ถ้าใช้สติก็ระงับเชื่อกาว พุโทโธพุโทพโธทโธอย่าเปให้มันคิดถึงกาแฟพอไม่คิดถึงกาแฟความอยากกาแฟก็หายไปแล้วความไม่สบายใจก็หายไปชัวคราวถ้าอยากจะให้มันหายอย่างท้าวรก็ต้องเห็นโทษของการดื่มกาแฟว่าดื่มแล้วมันติดติดแล้วเวลาไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์ั้นการดื่มกาแฟความจริงแล้วไม่ใช่เป็นสุข เป็นทุกข์ทุกตอนที่อยากแล้วไม่ได้ดืม่มเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดนะเวลาได้เสพมันไม่ทุกข์หรอกแต่เวลามันไม่ได้เสพอันนั้นมันจะทุกข์แล้วมันต้องมีวันหนึ่งที่จะต้องไม่ได้เสพเพราะบางทีไม่มีเงินซื้อยามาเสพบางทีไม่มียาให้เสพไม่มียาขายหรือบางทีร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยจนกระทั่งเสพไม่ไหว แต่ความอยากเสพมันก็ยังมีอยู่มันก็จะสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ใจอันนี้คือการใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้เห็นความทุกข์ที่จะเกิดจากการที่เราไปทำตามความอยากต่างๆอยากกาแฟเราจะมักจะคิดว่าสุขกันใช่ไหมพอได้ดื่มกาแฟแล้วมันสุขอร่อยรสชาติหอมหวานดื่มแล้วมีความสุข ก็เลยติดความสุขของการดื่มกาแฟเลยมองเห็นการดื่มกาแฟว่าเป็นสุขกันไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันจะต้องมีวันใดวันหนึ่งที่เราจะไม่สามารถดื่มได้ร้านกาแฟอาจจะปิดากาแฟที่บ้านอาจจะหมดแล้วยังมืดอยู่ออกไปข้างนอกไม่ได้ไปซื้อไม่ได้หืม ไปซื้อได้แต่ไม่มีเงินซื้ อ, อไปไปที่ร้านพอดีร้านบอกบทพอดีก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือต่อไปร่างกายมันอาจจะแพ้เดื่มไม่ไหวอ๋อบอกต้องหยุดเดิมก็ทุกข์อีกนี่คือตจกการใช้ปัญญา ต้องวิเคราะห์ให้เห็นว่าการทำตามความอยากต่างๆนี่มันจะนำไปสู่ความทุกข์ต่อไปแต่มันจะมีความสุขหลอกล่อเราอยู่เหมือนกับเยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดถ้าปลาไม่ฉลาดไม่มีปัญญามันก็คิดว่าเยื่อหวานปากามันก็ฮุบเลยพอฮุบก็ถูกเบ็ดเกี่ยวปากเลย แต่ถ้าปลาฉลาดเห็นตัวอื่นทุกไปฮุบเหยื่อแล้วเห็นถูกเบ็ดเกี่ยวปากว่าไม่เอาดีกว่าทุกไม่เอาดีกว่าปลาตัวนั้นก็ก็ปลอดภัยเห็นเหยื่อไงก็ไม่ไม่ฮุบไปหาอย่างอื่นกินดีกว่าถ้ามีเหยื่อแล้วมีตะขอติดอยู่ด้วยไม่เอาดีกว่าอันนั้นเรีวยกว่าปัญญามีความฉลาด ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าทุกอย่างที่เราอยากนี่มันทุกข์เราก็จะไม่เอามั น, มนไม่อยากได้พระพุทธเจ้าสอนใน้ยเราเห็นว่าการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเนี่ยเป็นทุกข์เพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสมันไม่แน่นอนบางทีมันก็มีบางทีก็ไม่มีบางทีมีแต่มีแบบที่เราไม่ชอบแบบที่เราเกลียดมันก็ มันก็ทำให้เราทุกข์ได้เช่นคนที่เราชอบนี่พออยู่ไปสักพักเดี๋ยวเขาเปลี่ยนไปจากเคยดีกลายเป็นไม่ดีมันความสุขที่ได้ก็เปลี่ยนไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่อนิจจาท่านบอกให้มองเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสนันเป็นอนิจจาคนข้าวของสิ่งของต่างๆนี่มันเป็นอนิจจาเวลาได้ลรามาใหม่ๆมันดีไปหมดนะ ของใช้ไม้สอยซื้อมาใหม่ๆดีไปหมดพอใช้ไปสักพักมอนเริ่มรวนนะเริ่มเสียแล้วเดี๋ยวต้องไปซ่อมละวเคยใช้ได้แล้วมัใช้ไม่ได้เรารู้สึกไงอย่างนี้พูดถึงเรื่องรถยนต์เนี่ยซื้อมาใหม่ๆมันก็ดีหมดเดี๋ยวก็มันเสียขึ้นมาก็ปวดหัวแล้วต้องเอารถเข้าอู่เสียเวลาจะไปทำอะไรอย่างที่เคยทำก็ไม่ได้ นี่คืออนิจจังความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆให้เรามองให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังให้มันเห็นว่ามันเป็นอนัตตาคือเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันดีไปตลอดไม่ได้มันต้องมีวันใดวันหนึ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนไปจากดีมาเป็นเสียไปพอเสียเราก็ทุกข์กันนี่คือการมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันอยากมีกันอยากเป็นกันหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นกันความอยากไม่มีก็ไม่ได้เหมือนกันเช่นเรามีความแก่เราอยากไม่แก่มันก็ไม่ได้เหมือนกันพออยากไม่แก่มันก็ทุกข์อีกพออยากไม่เจ็บมันก็ทุกข์อีกอยากไม่ตายมันก็ทุกข์อีกอยากมให้คนนั้นไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ เขาเป็นอย่างนี้จะให้เขาไม่เป็นอย่างนี้ได้ยังไงอันนี้คือลักษณะของความอยากที่สร้างความทุกข์ให้แก่พวกเราแต่ถ้าเรามีสติหรือมีปัญญาเนี่ยเราจะสามารถหยุดความทุกข์ได้ถ้ามีสติก็หยุดได้ชั่วคราวคืออยากไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์พุโทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไป พอเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่กาลังที่ทำให้เราทุกข์อยู่ความอยากก็จะหายไปชั่วคราวแล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปแต่เดี๋ยวออกจากสมาธิมาพอไปคิดถึงมันอีกก็ทุกข์อีกถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็ต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นอันนี้จังทุกข์ขังน้าตามันทำให้เราทุกข์งนั้นต่อไปนี้เราอย่าไปเอามันดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่า แบบไม่มีอะไรดีกว่าถ้าเรามีสมาธิแล้วเราจะอยู่โดยไม่มีอะไรได้เพราะสมาธินี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆดะงนั้นก่อนที่เราจะใช้ปัญญาได้เราต้องมีสมาธิก่อนเหมือนกันก่อนที่เราจะทิ้งรถเก่าได้เราต้องมีรถใหม่ก่อนใช่ไหม <S <S ถ้าเรามีรถใหม่ที่ดีกว่ารถเก่าเนี่ย รถเก่าเราก็ยกให้คนอื่นได้เก็บไว้ก็เกบกะเปล่ า, าใช้ไม่ดีเท่ากับรถใหม่ฉันได้ความสุขเก่าเราก็ทิ้งได้ถ้าเรามีความสุขใหม่ความสุขใหม่ที่ดีกว่าความสุขเก่าก็คือความสุขที่ได้จากสมาธิความสุขที่ได้จากความสงบ พ, พอเรามีความสุขจากการนั่งสมาธิแล้วเราก็เลิกดืมกาแฟได้เลิกไปเที่ยวได้ เลือกไปทำอะไรต่างๆได้เลือกไปยุ่มกับคนนั่นคนนี้ได้ที่เราไปยุ่กับเขาเพราะเรายังต้องการเขาให้ความสุขกับเราอยู่นั่นเองหรือว่าเป็นของที่เราต้องคอยดูแลรักษาเราก็เลยห่วงก็ห่วงก็เลยอยากให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่บางทีมันก็ไม่อยู่กับเราก็ได้แต่ถ้าเรามีความสุขในตัวเราแล้วเราไม่ต้องพึ่งอะไรแล้ว เราไ ม, ม ไ, ร ไ, ไม่มีอะไรก็ได้ไม่มีอะไรก็ได้รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปในที่สุดร่างกายก็ต้องตายไปของทุกอย่างที่เรามีอยู่มันก็ต้องหมดไปคือหมดจากเราเราไม่สามารถไปมีไปถือว่าเป็นของเราได้แล้วเวลาร่างกายตายไปทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองตา่างๆที่เรามีอยู่มันก็กลายเป็นของคนอื่นไป ให้มองเห็นทุกอย่างว่าไม่เที่ยมทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่อยู่ภายใต้าการควบคุมบังคับของเรางั้นอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปอย่าไปพึ่งเขาอย่าไปอาศัยเขาให้ความสุขเรามาเอาความสุขจากการทําใจให้สงบก็พอการทําใจให้สงบนี้ไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้น่่งกายไม่ต้องใช้เงินทอง ไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้ไม่ต้องใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพียงแต่ต้องใช้สตินั้นเองสตินี้จะเป็นของที่มีคุณค่ามหาศาลถ้าเราสามารถจเจริญสติได้เราจะได้สมาธิเราจะได้อัปปนาสมาธิจิตจะสงบรวมเป็นหนึ่งสัจธรคาคาารมวรเอกขัตตาลมอุเบคา มัทตสันติพลังสุขขังความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีเราจะได้ตัวนี้เมื่อเราได้ตัวนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเอาสายให้ความสุขกับเรานี้มันไม่ได้เป็นสุขอย่างเดียวมันมีความทุกข์ตามมาด้วยมันมีภาระที่เราจะต้องคอยกังวลคอยวิตกคอยห่วงใย แล้วก็ต้องเสียใจเวลาที่เขาจากเราไปงั้นเราไม่เอาอะไรดีกว่าก่อนที่มีสมาธิแล้วแถ้ามีปัญญานี่จะไปอยู่แบบนักบวชได้อยู่แบบไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ร่างกายถ้าปัจจัยสี่มีไม่ครบก็ไม่เป็นปัญหาอยู่ไปตามมีตามเกิดอย่างพระพุทธเจ้าอยู่ในปา่า ไม่มีกุติไม่มีวัดท่านก็อยู่ตามโคนไม้ไปอาหารท่านกับบิณฑบาตแล้วแต่จะได้อะไรมาก็กินไปใจท่านไม่ได้มีความสุขกับร่างกายไม่มีความสุขกับอยู่บ้านใหญ่โตไม่มีความสุขอยู่กับการรับประทานอาหารที่ต้องถูกปากถูกใจเสื้อผ้าก็ไม่ได้ถือว่าต้องเป็นเสื้อผ้ายี่ห้อ น, นั้นยี่ห้อ น, นี้ เสื้อผ้าของยี่ห้อของเสื้อผ้าของพระเจ้าก็คือบางสกุลผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลก็คือผ้าห่อศพสมัยพุทธกาลนี้ศพก็ไม่เอาไปเผาไม่เอาไปฝังเขาไปทิ้งไว้ในป่าช้าเอาผ้าห่อศพไปเวลาพระบวชกันไม่มีผ้าก็ไม่มีการถวายผ้านี่สมัยบวชสมัยยุคแรกๆไม่มีการถวายผ้าไม่มีกรถินไม่มีผ้าป่า พระต้องไปหาผ้าที่คอศพที่ทิ้งอยู่ในป่าชา้าศพที่มันเปื่อยเน่าไปแล้วผ้ายังดีอยู่ก็เอาผ้านั้นมาซักย่อมาตัดมาเย็บเป็นจีวร น, นี่แหละยี่ห้อของผ้าของพระพุทธเจ้าผ้าของพระาอารหันต์คือยี่ห้อบางสกุลคือยี่ห้อคอศพอันนี้นะท่านอยู่ตามมีตามเกิดเพราะว่าจิตใจท่านมีความสุข ที่เหนือกว่าความสุขที่จะได้รับจากการใส่เสื้อผ้าแต่ให้ญาติโยมถวายยี่ห้อเวอชาเชมาให้ใส่มันก็ไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่ถ้าเท่านั้นต่อให้ใส่เปียกาดังหรืออะไรนี้มันก็มันก็เป็นแค่เพียงเสื้อผ้าไว้สำหรับนุ่งหม่มปกปิดร่างกายเท่านั้นเองแต่ใจมันไม่ได้ความสุขจากใจนี้มันเหนือกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งของต่างๆ ไม่เหมือนญายมที่ตอนนี้ไม่มีความสุขในจิตใจพอได้กระเป๋ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มาก็อโอ้หดีใจสุขใจได้มือถือยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มาก็ดีใจสุขใจได้รถเก๋งยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มาก็โอ้โหดีใจกันใหญ่เพราะไม่มีความสุขใจแต่คนที่มีความสุขใจอย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่สนใจกับของเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่มีราชรถ เวลาท่านไปไหนมาไหนท่านเดินไปเดินเหยแผ่ธรรมเดินทุดนงกันพระสมัยนี้ต้องมีรถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นั่งกันเนี่ยแสดงว่าใจไม่มีความสุขถ้าใจมีความสุขแล้วท่านไม่สนใจยี่ห้อไหนก็ได้หลวงตาท่านไม่สนใจแล้วใครเอารถไหนมาให้ท่านนั่งท่านก็นั่งไปท่านไม่เคยมีรถส่วนตัวรถเป็นของญาติโยม แต่ไม่เคยไปซื้อรถมาเก็บไว้ใช้ที่วัดของตอนเองครูบาอาจารย์ทั้งหลายรถนี้ไม่ใช่เป็นของท่านรถเป็นของญาติโยมที่ศรัทธาที่สงสารเห็นท่านชราแก่ไปไหนมาไหนลาบากก็อยากจะให้ท่านสบายก็เลยจัดหารถมาให้ให้ท่านใช้แต่ท่านไม่ได้เป็นคนไปซื้อที่ร้านรถเองว่าอยากจะได้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ไม่มีห เพราใจของท่านไม่ได้มีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ท่านไม่ไปไหนมาไหนท่านก็ไม่เดือดร้อนที่ท่านไปนู่นมานี่ก็เพราะเมตตาญาณโยมญาณโยมบางทีไปหาท่านไม่ได้ที่อุดรท่านโกูซ่าลงมาที่กรุงเทพคนแก่นั่งรถมาที่กรุงเทพแล้วก็มาเหนื่อยกับการนั่งสั่งสอนญาณโยมตอนหลังมาไม่ไหวก็เลยมาแค่ขึ้นทาง นังรถไกลไม่ไหวก็มาแค่เขาใหญ่ญาติโยมก็ไปอครึ่งทางอท่านไม่ได้ทําด้วยความสุขใจหรอกเพราะถ้าไม่ได้นําด้วยความสุขจากการกระทําเหล่า น, นี้แต่ท่านมีความสุขใจอยู่แล้วแต่ท่านทําเพื่อให้พวกเรามีความสุขใจกัน่อท่านถึงยอมเสียสละความทุกข์ยากลําบากทางร่างกายพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันะ ตลอดระยะเวลา45ปีหลังจากที่ท่านตัดสโลแล้วท่านก็ทำประโยชน์ให้กับสาสต์โลกอย่างพวกเราไปเทศไปสั่งไปสอนญาติโยมพระสงฆ์องค์เจ้าตามเมืองต่างๆอยู่เมืองนี้สักพักก็ไปเมืองนั้นต่อเมืองนั้นนับไปเมืองนั้นต่อแล้วก็กลับมาเมืองนี้ไปแล้วทุกวันก็มีการสั่งสอนธรรมะตลอดเวลา ตอนบ่ายก็สั่งสอนญาติโยมตอนค่ำก็สั่งสอนภิกษุสา ม, มเณรตอนดึกก็สั่งสอนเทวดามีแต่การทําประโยชน์เพื่อให้ญาติโยมให้ผู้ที่มาศึกษาได้รับความสุขทางใจเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสร้มาสั่งสอนพเราจะไม่มีความรู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจกันเราก็มีแต่รู้จักวิธีสร้างความทุกข์ทางใจกัน ด้วยการไปสร้างความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายนี้มันเป็นตัวทําให้เกิดความทุกข์ทางใจเหมือนปลาที่ไปติดติดตะขอเบ็ดเวามสุขทางร่างกายก็คือได้ได้ได้ได้ฮุบเยื่อแต่ฮุบแล้วก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปลาเป็นความทุกข์ใจเราหาความสุขทางร่างกายจากรูปเสียงเก่งนนต์จากลาบยศสรรเสริญ แล้วเราก็เลยต้องมาทุกกับราบยศเสริเสือเพราะเวลาราบยศมันเสื่อมไปเราก็เส<ๆ>ียใจหรือเวลามันไม่เจริญเราก็ไม่พอใจนะอยากจะให้เจริญอยู่เรื่อยๆอยากจะให้รายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอรายได้ไม่เพิ่มก็ไม่สบายใจนะยังไม่ตกรายได้ไม่ตกแต่ไม่ขึ้นก็ไม่ไม่สบายใจนะอยากจะให้ขึ้นอยู่เรื่อยๆเรายิ่งถ้าเกิดรายได้ตกก็ยิ่งยิ่งไม่สบายใจยหญ่ นี่คือความทุกข์ใจที่เราสร้างกันด้วยการไปหาความสุขทางร่างกายพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พวกเราเลิกหาความสุขทางร่างกายร่างกายให้มันพออยู่ได้ก็พออย่างที่ในหลวงบอกเศรษฐกิจพอเพียงคือให้มีปัจจัยสี่แบบธรรมดาไม่ต้องรูหละไม่ต้องฟุ่งเฟ้อไม่ต้องฟุ่มเฟือย มีอาหารมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่หงห่มที่จะใช้ในการดูแลเลี้ยงดูร่างกายได้ก็พอไม่จําเป็นจะต้องเป็นของแพงๆของหรูหรามันทำหน้าที่เหมือนกันเท่ากันเสื้อผ้าชุดละหมื่นกับชุดละพันมันก็เป็นเสื้อผ้าใช้สำหรับหุ้มห่อร่างกายปกปิดร่างกายได้เท่ากันเหมือนกันอาหารมล พันกับมื้อละร้อยมันก็อิ่มเหมือนกันแต่เรากลับไปทุ่มเทกับการหาความสุขทางร่างกายกันก็เลยไปสร้างความทุกข์ให้กับทางใจเพราะใจจะต้องกังวลกับการหาเงินมาใช้กันกังวลกับการเงินที่จะหมดมีโตกังวลกันก็มันหมดเสเพราะเราใช้มากมันก็หมดถ้าเราไม่ใช้มากมันจะหมดทำไมใช่ไมเราไม่รู้จักเหตุ ของความทุกข์ของเราอะเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองคนที่เจรลาเขาก็เลยเลิกหาเงินก็ไปบวช ด, ดีกว่าไม่ต้องกับทุกข์กับเรื่องเงินไม่ต้องหาเงินหาข้าววันละมื้อก็ออกไปบินธบากกันแอ้ชั่วโมงเดียวก็ได้แล้ะข้าวมือหนึ่งละพออิ่มข้าวแล้วยาอื่นก็ไม่ต้องลนะยีวานก็มีอยู่แล้วอกุติก็มีอยู่แล้วอย่ารักษาโรค ก, ก็ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรน ก็ไม่มีอะไรต้องมาทําให้ใจทุกข์กังวลใจก็สุขสบายยิ่งทำมาปฏิบัติทำทําใจให้สงบได้มีความสุขทางใจก็สบายตัดกิเลสตัดความอยากต่างๆได้ก็ไม่มีความทุกข์อย่างถาวรเมื่อไม่มีความอย่างถาวรไม่ไม่มีความอยากยาาายา ก, ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ ที่เรายังต้องกลับมาเกิดกันใหม่เพราะเรายังมีความอยากอยู่ความอยากไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากมันอยู่กับใจใจมันก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปมันก็อยากได้ร่างกายอันใหม่มันก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็กลับมาทุกกับร่างกายอันใหม่เพราะร่างกายนี่มันเป็นภาระที่เราต้องเลี้ยงดู วันนึงเนี้ยวันวันหนึน่นนนนงเนี้ยเราหมดเวลาไปกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปสักกี่ชั่วโมงนะทางานทําการหาเงินหาทองกันก็เพื่อหาปัจจัยสี่กันแล้วพอได้ปัจจัยสี่แล้วก็หาเที่ยวกันหาความสุขจากทางร่างกายกันแล้วก็ไปสร้างความทุกข์ให้กับใจกันนี่คือการอยู่แบบไม่ไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าความทุกข์ใจเกิดจากอะไร ก็เกิดจากการหาความสุขของเราทางร่างกายนี้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอันนี้ก็จะทำให้ใจเราทุกข์กันงนั้นถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระธรรมคาสอนหรือพบกับพระอริยสงสาวกเราก็จะได้เรียนรู้ความจริงของความสุ ข, ค ว, สขความทุกข์ของเรา ว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากการไม่มีความอยากเกิดจากการยุติการหาความสุขทางร่างกายกันแล้วมาหาความสุขทางใจกันด้วยการเจริญสติควบคุมความคิดให้ได้ถ้าเราครวบคุมความคิดอยู่ความคิดได้ก็เหมือนกับเราครวบคุมรถยนต์ได้ถ้าเราขับรถยนต์แล้วเราไม่มีเบรกนี่เราไม่มีพวงมาลัยนี่เราอยากจะขับไนหะ ออกไปเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องการหยุดมันก็หยุดมันไม่ได้ต้องการให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เลี้ยวไม่ได้ใจของเราตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เราควบคุมมันไม่ได้มันควบคุมเรามันสั่งเรามันอยากกาแฟมันก็สั่งให้เราไปเอามามันอยากให้เราไปที่นู่นที่นี่มันก็สั่งให้เราไปพราะเราหยุดมันไม่ได้พราะเจ้ถึงสอนให้เรามาสร้างสติสตินี้เป็นเหมือนเบรก ปัญญาเหมือนเหมือนเหมือนพวงม า, าลัยถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะสามารถควบคุมใจของเราให้มันวิ่งไปในทางที่ที่ปลอดภัยที่มีแต่ความสุขความเจริญโดยถ่ายเดียวนี่คือสิ่งที่เราได้รับจากพระพุทธศาสนาคือสติและปัญญาวิธีสร้างสติด้วยการเจริญพุทโธพุทโธบริกรรมพุทโธ ถ้าเราบริรมพุโทโธเราก็จะไปคิดถึงเั่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้บริกรรมคําอื่นก็ได้ถ้าไม่ชอบพุโทโธทำโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือจะสวดอิติปิโสไปก็ได้เสวดพุธทธังสารนันกะฉามิไปก็ได้ให้มันท่องไปในใจก็แล้วกันอย่าออกเสียงอันนี้เป็นการฝึกควบคุมความคิดเรียกว่าการเจริญสติเพื่อดึงใจให้อยู่กับปัจจุบัน ไม่ให้ใจไปคิดถึงอดีตไม่ให้ใจไปคิดถึงอนาคตไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่กำลังทำอะไรก็ให้ดูงานที่เรากำลังทำอยู่กำลังน้างหน้าแปรงฟันก็ให้อยู่กับการล้างหน้าแปรงฟันกำลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารกาลังทางานก็ให้อยู่กับการทางานอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อย แล้วพอเรามีเวลาว่างเราก็มานั่งหลับตากันแล้วก็ควบคุมหยุดความคิดกันด้วยการบริกรรมพุทโธไปหรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าเราสามารถบังคับให้มันอยู่กับพุทโธได้บังคับให้อยู่กับลมได้ไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวไม่นานมันก็ดิ่งลงสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วเราก็หยุดบริกรรมหยุดดูลมได้ ตอนนั้นมันปล่อยวางบางทีร่างกายก็หายไปเหลือแต่ความรู้ตัวรู้อยู่ตัวเดียวหรือเหลือแต่สักแต่ว่าเหลือแต่อุเบกขาอุเบกขาก็คือไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงตอะ น, นั้นร่างกายจะเจ็บจะปวดยังไงก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการคืออุเบกขากับความสุขที่ได้จากความสงบความอิ่มใจความพอใจนี่มันจะทําให้เกิดอุเบกขา คือใจจะไม่สะทกสะทานหวั่นไหวกับอะไรเวลาออกจากสมาธิมาเวลาไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็เฉยได้เวลาเจอสิ่งที่ชอบก็เฉยได้จะไม่ถูกความอยากมาเป็นตัวกดดันถ้าไม่มีสมาธิเอาพอเห็นอะไรชอบก็อยากได้ทันทีเห็นอะไรที่ไม่ชอบก็อยากหนีทันทีอยากกาจัดมนันทันทีแล้วพอ จัดไม่ได้หรืออยากได้ก็ไม่ได้ก็เสียใจทุกข์ใจแต่ถ้าเราเฉยๆเราก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปกำจัดมันไม่ต้องไปอยากได้มันไม่เดือดร้อนมันจะอยู่ก็อยู่ไปไม่ได้มันเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความสุขในใจเราแล้ว น, นี่คือสิ่งที่เราต้องมาพยายามสร้างกันให้ได้ก็คือความสุขภายในใจของเราในการฝึกสติอยู่บ่อยๆ การจะฝึกสติได้ดีก็ต้องหยุดทํางานอยู่ไปอยู่คนเดียวถ้าอยู่กันหลายคนเดี๋ยวมันก็ฟุง้งเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คุยกันไปถามกันมาตอบกันไปตอบกันมาก็เลยไม่มีวันที่จะมาควบคุมความคิดได้แต่ถ้าไปอยู่คนเดียวนี่ก็ไม่มีอะไรมาชวนคุยไม่มีอะไรมาแต่ถ้าไม่มีสติมันก็ยังคิดอยู่นันะมันก็ยังจะคิดถึงคนนั้นตอนนี้เดี๋ยวคิดไปมากๆเดี๋ยวก็รู้สึกเหงาอยู่ไม่ได้ก็อยู่คนเดียว งั้ถ้าอยู่คนเดียวแล้วต้องขยันพุโทโธขยันเจริญสติอย่าปล่อยให้มันคิดถ้าปล่อยมันคิดเดี๋ยวอยู่คนเดียวไม่ได้เดี๋ยวคิดถึงบ้านเดี๋ยวคิดถึงเพื่อนคิดถึงานมนมเนยคิดไปมาอะไรต่างๆก็เดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าเราควบคุมความคิดได้เราจะอยู่คนเดียวได้และจะมีความสุขเพราะว่าใจมันจะสงบสงบแล้วก็ไม่มีความสุขอะไที่จะดีกว่าความสงบที่ได้ ความสุขที่ได้จากความสงบก็จะไม่คิดอยากจะกลับบ้านนะไม่อยากจะไปหาลูกเต้าไม่อยากจะไปหาแฟนนะอยู่คนเดียวสบายกว่ากลับไปแล้วเดี๋ยวก็ปวดหัวคนนั้นก็เอาอย่างนั้นคนนี้ก็จะเอาอย่างนี้มีแต่เรื่องให้ปวดหัวตลอดเวลาปล่อยให้เขายุ่งเขาไปเองเราอย่าไปยุ่งเหมือนเขาดีกว่าเเรามาอยู่คนเดียวดีกว่ามีความสุขกว่า ถ้าใครสามารถจเจริญสติได้แล้วนั่งสมาธิแล้วสงบได้รับรองได้ว่าจะเบื่อกับชีวิตของคารวาดของผู้คองเรือนจะเบื่อกับชีวิตการทางานหาเงินหาทองแม้จะได้เงินมาเป็นร้อยล้านทันล้มันก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก่อจะได้มาก็วุ่นวายเรื่องมากแล้วก็ได้มาก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ ก็เลยไม่นู้จะกลับไปทำงานทาไมไม่นู้จะกลับไปหาเงินหาทองทาไมไม่นู้จะกลับไปหาครอบครัวทาไมอยู่คนเดียวดีกว่าพระพุทธเจ้านี่ยพอตัดสัตวูกแล้วไม่กลับไปอยู่กับในวังแล้วนะอยู่คนเดียวดีกว่ามีความสุขมากกว่าหลาคนก็กลับไปเยี่ยมกลับไปโปรดเอาธรรมะไปสั่งไปสอนแล้วก็ทำให้คนที่ได้ยินได้ฟังได้ได้ประโยชน์ได้ตามเสด็จออกบวชกัน แม่ก็ขอบวดเป็นภิกษณุณีลูกก็บวชเป็นสัมมาณีบวชกันเยอะยากพี่น้องก็บวชเป็นพระกันหลายลูกนอันนี้ท่านทําประโยชน์แก่ผู้อื่นท่านได้พบของดีแล้วแล้วก็มาบอกว่านี่แหละของดีของวิเศษทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ถ้าอยากจะได้ก็ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้เขาก็เลยลองทํากันทําแล้วเขาก็ได้กันพวกเราก็เหมือนกันตอนนี้เราก็ได้ยินได้ฟังธรรมของพระตถาจ้าแล้ว ถ้าเราอยากจะได้ของวิเศษก็ต้องหยุดการหาความสุขทางร่างกายกันหยุดหารากยศสนรเสริญกันแล้วมาหาสติกันมาหาพุทโธกันอย่างน้วงปู่มั่นสอนชาวเขาหลวงปู่เดินหาอะไรอยู่เห็นเนืองเหน็นหลงปู่เดินจงกลมอยู่คนเดียวกลับไปกลับมาชาวเขาก็คิดว่าท่านกําลังเดินหาเลยเพราะท่านเดินไปตะหน้าท่านก็มองไปข้างล่างไม่ได้มองไปข้างบน เขาอาจจะคิว่าท่านกำลังเดินหาอะไรอยู่ก็มาถามหลวงปู่เดินหาอะไรหลวงปู่ท่านก็ฉลาดท่านหาพุทโธพวกผมช่วยหาได้ไหมได้หายัางไงก็ท่องพุทโธพุทโธไปเดินไปแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธไปเนี่เป็นการสอนของคนฉลาดสอนกับคนที่ไม่ดูปภาษีภาษาสอนแบบง่ายๆไม่ยากกับการสอนธรรมะ สำหรับคนที่รู้วิธีหาธรรมะแล้วสอนได้ง่ายแล้วคนที่พุทโธพุทโธไปแล้วจิตมันสงบมันจะปะมันจะมาอัศจรรย์ใจขึ้นมาเองอยู่ดีดีจิตชองเราจากร้อนกลายเป็นเย็นขึ้นมาอมันจะมันจะมันจะอัศจรรย์ใจถ้าจิตเราไม่ไปคิดอะไรสักพักหนึ่งจากร้อนมันกลายเป็นเย็นเลยเย็นแล้วมันโอ้โหไม่เคยเจอความสุขอย่างนี้มาก่อนมันอยู่ในตัวเรานี่เอง เรามันหลงไปหาความสุขข้างนอกยิ่งหายิ่งร้อนใหญ่ใช่ไหมแทนที่จะหาแล้วเย็นแบบนี้ไม่มีมีแต่ร้อนขึ้นร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาร้อนยาท่าวางที่ทนไม่ไหวนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับประโยชน์จากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้เรียนรู้ถึงความสุขที่แท้จริงนะจะได้รู้จักวิธี สร้างความสุขที่แท้จริงได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากการไปหาความสุขปลอมกันคือการหาความสุขทางร่างกายเป็นความสุขปลอมเพราะมันกลายเป็นความทุกข์ใจขึ้นมามันสุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนที่ได้มาใหม่ๆพอได้มาก็สุขแล้วเดี๋ยวพอมันมันหายไปก็อยากจะได้ใหม่ขึ้นมาก็ทุกข์อีกต้องหาอีกแล้วหามาได้เวลาเสียไปก็ทุกข์อีก นั้นห้อเราหยุดคว่าการหาความสุขทางร่างกายกันหยุดหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสกันเราให้มาหาความสุขทางใจกันโดยการไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวถือศีลแปดเจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็สอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เราคิดว่าเป็นสุขนะั้นมันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยง พัเพราะว่าเราไปควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นของเราถ้าเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้พอไม่มีความอยากเราก็ถึงนิพพานกันนิพพานก็คือใจที่ไม่มีความอยากความบริสุทธิ์ของใจคือความความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจเอาเล่นกับเศร้าหมองไม่สะอาด พอชำระความอยากหมดไปจากใจใจก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากความโลภความหลงปราศจากกิเลสตัณหาก็คือนิพพานนี้เองไม่ได้เป็นสถานที่เป็นใจของเราที่จะเพิกจากใจที่มีกิเลสมีตัณหามากลายเป็นใจที่ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาด้วยการบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาพอได้ พอได้นิพพานก็ได้บรมมาสุขนิ บ, บานังปรมังสุขขังแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปฉั้นขอให้พวกเรามีศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและนำเอาไปปฏิบัติเถิดแล้วรับรองได้ว่าจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลา เพงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตจินางเปตานาังอุปกัปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปว่าเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปณะหาสสยทามณิโชติราโสยทาสัพพิโยวิวาชานโตสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายยสุขีทีขาโยปภวอภิวาทนสีริสะนิจจังุทธาปจายโน จตารโหธมาวทานติอายุวโนสุขังภาลังเนี้อทางเฟสบุ o กเข้ามาเท่าไหร่ทาง a c ส b o o k สูงสุดสี่รยห้าสิบเจ็ดค่ ะ, ะทางย t ท b e สูงสุดเก้าสิบสี่ค่ะรวมกัเก้าห้าร้อยกว่าคนตนะิดตามสด แล้วดูทีหลังก็เกือบหมื่น 7, 8, นึงเจ็ดแปดพันอะไรเ้พราะบางทีไม่ว่างตอนตอนนี้เขาก็มาดูตอนเย็นตอนเย็นกันก็มีคนสนใจติดตามแล้วก็มีคนส่งคำถามก็ามาถามอยู่มีใครอยากจะถามอะไรไหมที่เทศให้ฟังตอนนี้ที่เมื่อกี้เทศไปแล้วไม่เข้าใจตรงไหน ไม่ชัดเจนอยากจะถามก็ถามได้โรงนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธอรอถ้ายังไม่มีจะให้ทาบ้านที่เขาส่งข้อความเข้ามาถามกันใครถ้าอยากจะกลับก็กลับได้นะไม่ได้ห้ามให้อยู่ไม่ได้บังคับให้อยู่ถ้ามีธุระต้องไปอะไรแต่ถ้าอยากจะนั่งฟังต่อก็ เชิญฟังได้ที่นี่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรข้อบังคับอะไรนอกจากเวลาแสดงธรรมก็ไม่อยากจะให้ขยับกันไม่อยากให้เข้าๆออกออกกันแต่เวลาไม่ได้แสดงธรรมเวลาสนนนาธรรมกันที่จะเข้าจะออกก็ยังพอทําได้เพราะว่ามันไม่ต้องใช้สมาธิเหมือนกับการเวลาแสดงธรรมเวลาแสดงธรรมแล้วถ้าคนเข้าเข้าออกแล้วมันเสียสมาธิ คนฟังกเกษียสมาธิคนพูดก็เสียสมาธิแต่ถ้าถามตอบนี่มันพูดกันสั้นๆมันก็ยังก็บอมีจังหวะที่จะเข้าออกได้ช่วงที่ที่หยุดหยุดถามหยุดตอบ ก, ก็จะเข้าจะออกช่วงนั้นก็ได้มีคําถามเข้ามาไหมมีค่ะมีภาษาอังกฤษไหมมีค่ะเอาภาษาอังกฤษกันแล้วกั น, นอาจารเ์้าวันนี้มีเพิ่มมาอีกหนึ่งประเทศค่ะ ปรเทที่26ประเทศนีทน้ทีแนะ่แลนด์ค่ะมีที่แลนด์นะมีคนมาจาก26ประเทศติดตามไม่ได้ติดตามในวันเดียวกันนะ เ, นเราเก็บสถิติไว้ว่ามาจากประเทศไหนให้เขาช่วยเขียนบอกด้วย26ประเทศนะนะคนไทยเรานี่ไปส่วนใหญ่เป็นคนไทยก็มีต่างชาติบ้างมีต่างชาติ 5-6 คนนะ เป็นชาวอังกฤษเป็นชาวอเมริกันชาวศรีลังกาชาวฝรั่งเศสคำถามจากพระพิธิวัดค่ะเราจะมีวิธีอย่างไรที่จะสามารถเอาชนะความโกรธได้ในแบบง่ายๆในระดับที่เด็กก็เข้าใจและในระดับขั้นต่อๆไปครับก็คืออย่าไปอยากได้อะไรถ้าอยากได้แล้วพอไม่ได้ก็โกรธอยากจะกินขนม ไม่ได้กินก็โกรธอยากจะเล่นไม่ได้เล่นก็โกรธแต่ถ้าไม่มีความอยากเล่นอยากกินอะไรก็จะไม่โกรธไม่เสียใจคำถามจากคุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติค่ะการที่คนเรายึดติดกับความคิดจะมีผลอย่างไรบ้างครับก็จะถูกความคิดพาไปสู่ความทุกข์เราความทิดของเราตอนนี้ คิดไปหาความทุกข์กันด้วยความหลงคิดว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุขนั้นเราไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังหากันอยู่นี้มันเป็นทุกข์เพราะมันจะกลายมันจะเปลี่ยนไปตอนต้นมันสุขเช่นแต่งงานใหม่ๆนี้มันสุขหมจัดงานเลี้ยงฉลองการใหญ่โตเดี๋ยวไม่กี่เดือนกี่ปีไปหยากันเงียบๆที่ไหนก็ไม่รู้อ <c oughs> <c oughs> มันกลายเป็นความทุกข์ อมันเปลี่ยนไปคนเปลี่ยนไปคนที่รักกันก็กลายเป็นคนเกลียดกันงั้นทุกอย่า ง, ท, างทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนความสุขที่ได้จากมันก็เลยเปลี่ยนไปด้วยเปลี่ยนเป็นความทุกข์ไปคําถามจากกูดาตีค่ะเป็นคนใจร้อนมากค่ะได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์แล้วรู้สึกใจเย็นขึ้นแต่บางครั้งก็เผลอก็เอาคําพุโทโธมาใช้ค่ะอย่างนี้ลูกควรพุโทโธ บ, บ่อยๆใช่ไหมคะ พอเป็นคนโมโหง่ายลูกทำถูกไหมคะถูกแล้วล่ะมีพุโทโธอยู่กับใจได้ตลอดเวลา mm hmm. ก็เหมือนกับมีตำรวจแล้วมีรอปพคอยคุ้มครองจิตจิตใจจิตใจจะปลอดภัยจากความทุกข์จากความรุ่มร้อนต่างๆจิตใจจะเย็นจะมีความสุขแต่ถ้ามีปัญญาได้ยิ่งดีใหญ่ถ้าใช้ปัญญาเป็น mm hmm. ก็ให้คิดว่าทุกอย่างเป็นทุกข์อย่าไปอยากได้ลายศสรรเสริญสุขเป็น ตาหูจมูกเน้นกายนี้มันเป็นทุกข์เพราะมันจะกลายเป็นมันจะเปลี่ยนไปตอนต้นมันสุขได้อะไรมามันสุขดังนั้นนี่พอมันหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีวันหมดไม่ช่าก็เลยหรือไม่หมดมันก็เปลี่ยนไปคำถามจากคุณชัยค่ะเพื่อนของภรรยาผมเธอมีอดีตเป็นมุสลิมตอนนี้นับถือพุทธศาสนาจริงจริง และมาฟังธรรมพระอาจารย์ทุกอาทิตย์ทั้งที่ศาลาและบนเขาสมมุติว่าวันหนึ่งสามีเธอเสียชีวิตและพ่อแม่บางครั้งให้กลับไปเป็นมุสลิมเหมือนเดิมแต่เธอไม่ยอมและพ่อแม่ไม่ชอบใจเสียใจเธอจะบาปหรือไม่ครับไม่บาปหรอกเพราะความเสียใจของพ่อแม่ไม่ได้เกิดจากการกระทาของเธอเป็นเกิดจากการกระทาของพ่อแม่พ่อแม่อยากให้ลูกกลับไป อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอลูกไม่ได้เป็นก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมามันไม่ได้เป็นการกระทําของลูกลูกก็อยู่เฉยๆลูกก็เป็นพุทธแล้วแล้วไปอยากให้เขาไปเป็นอย่างนั้นอยากอยากให้ไปเป็นมุสลิมดังนั้นความทุกข์นี้เกิดจากการกระทําของพ่อแม่เองดังั้นลูกไม่ได้ทําบาปพ่อแม่เองเป็นคนทําบาปให้กับตัวเองเป็นการเอาค้อนมาทุบ ศ, ศรีรษะตัวเองเพราะความอยาก อยาให้ลูกกลับมาเป็นมุสลิมคำถามจากคุณชนะตนค่ะการที่เราปฏิบัติและฟังทำ ม, มาเรื่อยๆผลการปฏิบัติทําให้ใจมีความหนักแน่นและนับถือในพระรัตนาตายเป็นที่พึ่งเท่านั้นจิตไม่วันไหวหรือกลัวในสิ่งต่างๆที่มองไม่เห็นเหมือนเมื่อก่อนเมื่อเกิดภาระจิตคิดว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นแต่ละทั้งหมดมาถูกทางไหมคะ ก็ลล่ะใกลใกลจะเป็นโสดาแล้วขอให้ปล่อยวางร่างกายให้ได้ไม่กลัวตายไม่เสียดายร่างกายไม่กลัวเจ็บไข้ได้ป่วยไม่กลัวโรคมะเร็งไม่กลัวโรคหัวใจไม่กลัวโรคเบาหวานมันจะเป็นอะไรแค่เหมือนเป็นไปมันไม่ใช่ตัวเรานางกายมันเป็นคนรับใช้เราเราไปคิดว่าเป็นเราเท่านั้นเองคำถามจากคุณสายชนค่ะ ทำยังไงถึงจะรู้สึกว่าการสวดมนต์บริกรรมเป็นเหมือนการนั่งสมาธิคะก็มันก็เป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันขั้นหยาบเนี่การบริกรรมนี่มันยังการสวดนี่มันยังต้องใช้ความคิดอยู่ถ้าอยากจะให้มันละเอียดขึ้นก็หยุดสวดแล้วก็ดูลมหายใจให้ดูเฉยๆแต่ตอนต้นอาจจะดูไม่ได้เพราะใจมันคิดมากก็เลยต้องใช้การสวดมนต์ด้วยกรรมบริกรรมช่วยหยุดความคิดก่อน พอความคิดมันไม่คิดหรืคิดน้อยแล้วพอดูลมได้เราก็ดูลมไปแล้วมันจะทำให้จิตละเอียดจิตสงบได้มากกว่าแต่บางคนใช้คำวริรกรรมก็าอาจจะรวมได้ก็แล้วแต่จริตของคนบางคนนี่คำถามจากคุณชินค่ะโยมนั่งดูลมเข้าออกอย่างเดียวที่ปลายจมูกแต่รู้ว่าตนเองนั่งตรงสักพักก็นั่งเอนไปด้านหลัง แต่ก็ใช้จิตดูลมหายใจอย่างเดียวมีเวทนาก็รับรู้ไม่ใส่ใจเอาจิตดูลมต่อเนื่องไปจนลมเบาเวทนาหายแบบนี้ยมนั่งผิดหรือถูกเจ้าคะถูกก็ละต่อไปก็จะวุบลงไปแล้วก็นิ่งสงบจะสบายจะรู้สึกเฉยๆกับร่างกายถ้ายังรู้อยู่ร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะไม่มีความอยากให้มันหายหายเจ็บหายปวดปล่อยวางได้ ชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกมาปั๊บ ก, ก็เกิดความอยากทันทีอยากให้มันหายเจ็บก็ต้องขยับลุกขึ้นมาอ่แตถ้าอยากจะนั่งต่อก็ดูลมต่อพุทโธต่อก็ได้คําถามจากคุณลาวันค่ะถ้าจะละความอยากจะต้องละการปรุงแต่งไปพร้อมกันใช่ไหมคะก็ต้องหยุดความคิดปรุงแต่งเพราะความคิดปรุงแต่งนําไปสู่ความอยาก เราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าการไปทําตามความอยากนี่เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขความสุขที่ได้มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขแบบความสุขเคลือบความทุกข์เหมือนยายาขมเคลือบน้ําตาลเวลาอมไปใหม่ๆก็หวานพอน้ําตาลที่เคลือบอยู่จางหายไปก็เหลือแต่ความขมความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆก็เหมือนกับน้ําตาลที่เคลือบ ยาขมเนี่ยสุขเดียวเดียวสุขใหม่ใหม่แล้วเดี๋ยวสุขงั้นจางไปก็เหลือแต่ความทุกข์เข้ามาคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะผมเป็นหมอโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรณีที่จำเป็นต้องทำแท้งเพื่อการรักษาเช่นถ้าปล่อยให้ตั้งคันต่อแล้วจะเป็นอันตรายต่อชีวิตแม่ผมได้รับคำสั่งจากอาจารย์หมออีกทีว่าต้องทาใจผมไม่อยากทาเลยและกลัวมาก แต่จำเป็นต้องเหน็บยาตามคำสั่งของอาจารย์เป็นแบบนี้ผมจะผมจะได้รับบาปมากไหมครับและถ้ามีกรณีแบบนี้บ่อยๆมันจะเป็นเครื่องกีดกั้นรักผลนิพพานสำหรับตัวผมไหมครับเป็นแน่นอนเพราะเราทำบาปอย่างต่อเนื่องเพราะเราเป็นคนฆ่าเราเป็นคนทำให้เด็กเสียชีวิตเด็กที่อยู่ในท้องเสียชีวิตเราควรจะเปลี่ยนเป็นเป็นแพทย์หมอดีกว่าไปเป็น อายุรกรรมหรือเป็นอะไรไปดีกว่าไปเรียนใหม่ไปไ ป, ไปเรียนความเชี่ยวชาญทางใหม่ดีกว่าทางสูตินารีก็ให้คนอื่นเขาทำไปเราไปเรียนทางอายุรกรรมหรือทางรักษาดีกว่าอย่าไปอย่าไปค่าหมอความจริงมีมาเพื่อรักษาไม่ได้มาค่าถ้าต้องค่าเพื่อรักษานี่ก็ผิดก็ต้องยอมให้แม่ตายไปดีกว่า พ่อถือว่าเป็นกรรมของแม่ไปคือปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติตามบุญตามกรรมถ้าแม่จะต้องตายเพร่อพ่อลูกก็ก็ต้องไปก็ต้องตายไปเพราะไม่ใช้ก็เร็วก็ต้องตายกันอยู่ดีใช่มพวเราทุกคนต่อไปก็ต้องแก่เจ็บตายไม่แก่เจ็บตายก็เป็นโลกภัยไ่าเจ็บตายไ ม, ไม่งั้นก็เจออุบัติเหตุตายนบางทีเสียใจก็ฆ่าตัวตาย ยังไงมันก็ต้องตายอยู่ดีแต่เราอย่ามาทำบาปเพื่อป้องกันความตายเลยไม่เกิดประโยชน์เพราะการไม่ได้ยังไงก็ต้องตายอยู่ดีงั้นปล่อยให้เขาตายไปดีกว่าคำถามจากคุณสาตาค่ะขณะนั่งสมาธิเกิดทุกข์ที่กายแต่ใจยังสักว่ารู้อยู่กับปัจจุบันแต่เวลาผ่านไปมีอาการทุกข์ใหม่เกิดขึ้นคือเหมือนใจจะขาด เงื่อไหลออกทั้งกายหนักไปทั้งกายเหมือนจะตายสมาธิหายหมดเป็นอยู่สามครั้งครับเพราะตอนนั้นสติไม่มีกําลังนะมันก็เลยความอยากก็เลยออกมาอยากให้ความเจ็บหายไปมันก็เลยทําให้ใจเครียดใจเครียดก็เลยเกิดอาการเครียดทางร่างกายเงื่อยเงื่อแตกออกมาแต่ถ้าขยันพุโทโธพุโทโธได้ไม่ไปคิดถึงความเจ็บได้ใจก็จะสงบได้แล้วความอยากที่จะให้ความเจ็บหายไปมันก็จะหยุด แต่ตอนนั้นรู้สึกหมดกำลังแล้วนั่งเฉยๆโดยที่ไม่ใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธมันก็เลยไม่สามารถที่จะทำให้ใจเป็นอุเบกขาได้คำถามจากคุณพนพิทัก์ค่ะคนส่วนใหญ่มีความเชื่อผิดๆเช่นไหว้ผีไหว้เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ว้พญานาคแล้วบนบานสารกล่าวอย่างนี้แสดงว่ามีมิจฉาทิฐิไหมครับก็ไม่มีไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็น ศาลาเนเป็นที่พึ่งเป็นผู้สั่งผู้สอนนั่นเองก็เชื่อไปตามความรู้สึกนึกคิดซึ่งความรู้สึกนึกคิดของคนเราทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฐิทั้งนั้นจะมีคนเดียวเท่านั้นที่มีสัมมาทิฐิคือพระพุทธเจ้าพวกเราจะได้สัมมาทิฐิก็ต่อเวลาเวลาเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยินคําสั่งคําสอนแล้วท่านจะสอนว่าปัญหาของพวกเราอยู่ที่กรรมของเรานี่เอง เรามีกรรมเป็นผู้ทําให้เราสุขให้เราทุกข์ให้เราเจริญให้เราเสื่อมการไปไหว้ผีไหว้เจ้าการไปทําอะไรต่างๆไม่สามารถมาแก้ความสุขความทุกข์ของเราได้ความสุขของความทุกข์ของเราอยู่ที่การทำทำกรรมดีหรือทํากรรมไม่ดีนั่นเองกรรมดีเราก็จะมีความสุขทํากรรมไม่ดีเราก็จะมีความทุกข์ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่รู้เรื่องนี้เราก็จะไปเชื่อตามที่คนเข้าสอนมาเกิดปา พ่อแม่สั่งสอนให้ว่าเจ้าก็ว่า้พ่อแม่สั่งสอนให้ไปทําพิธีอะไรก็ทํากันเชื่อกันมาแล้วทำก็แล้วทำแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นหน่อยเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวความไม่สบายใจมันก็กลับมาอยู่ดีว่า้เจ้ามาตั้งแต่เกิดจะแบบนี้ความไม่สบายใจหายไปไหมมันก็ยังมาอยู่นั่นถ้ามาทําตามที่ผู้เจ้าสอนมาทาความดีสิมาทําทานมารักษาศีลมาภาวนาดูสิ แล้วรับลองได้ว่าต่อไปความไม่สบายใจความทุกข์ใจต่างๆจะหายไปหมดเลยอันนี้สมมาทิทฐิมีคนเดียวในโลกนี้ที่รู้คือพระพุทธเจ้ารู้ได้ด้วยตนเองไม่มีใครสั่งใครสอนว่าไม่มีใครรู้ไงก็เลยต้องศึกษาค้นคว้าหาเองก็ดูที่ในใจเนี่ยท่านตลาดท่านดูในใจว่าทำไมท่านทำไมอยู่เฉยๆก็ทุกข์ทำไมอยู่เฉยๆ ก, ก, ก, ก็สุขก็เลยมองดูว่าอ๋อเวลาอยู่เฉยๆไม่คิดอะไรไม่อยากอะไรมันก็สุข พออยากขึ้นมามันก็ทุกข์แล้วพออยากแล้วไปทําบาปก็ยิ่งทุกข์ใหญ่นั่นก็เลยรู้วิธีแล้วก็มาสั่งสอนพวกเราว่าอย่าไปอยากอย่าไปทําอะไรอย่าไปทําบาปให้อยู่เฉยๆให้ทําใจให้สงบถ้าไม่มีอะไรจะทําทางก็ไม่ต้องทําแต่อย่าไปทําบาปก็แล้วกันให้อยู่เฉยๆนั่งนั่งเฉยๆทําใจให้สงบอย่าไปอยากอย่าไปพูดจะไปทําอะไร ที่ทําให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนแล้วก็จะไม่มีทุกตามมาคําถามจากคุณประพาพันธ์ค่ะมีลูกค้ามาซื้อแว่นเลนส์โพลาไยบอกจะเอาไปยิงปาโยมเลยบอกไม่มีทั้งๆที่มีของอแบบนี้โยมก็ผิดศีลข้อมุสาแต่ก็ไม่อยากขายให้เขาเพราะเขาเอาไปฆ่าสัตว์โยมทําถูกไหมคะก็ผิดศีลเนี่ยก็เราโกหกอ่ะ <laughs> คำถามจากคุณคาวีค่ะถ้าไม่อยากโกหกก็อย่าไปขายสินค้านี้ต่อไปหรือบอกสินค้านี้ถ้าถ้าถ้ามาบอกว่าจะซื้อไปค้าก็ไม่ขายแต่ถ้ามาบอกถ้ามาซื้อโดยที่ไม่บอกก็จะขายเพราะเราไม่สนับสนุนการค่าล้วก็บอกเขายางงั้นไปคำถามจากคุณคาวีค่ะตอนนี้ผมกำลังฝึกเดินจงกรมอยู่อยากให้พระอาจารย์แนะนำหน่อยครับก็เดินให้ใจอยู่กับการเดิน อย่าให้ใจลอยไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเท้าก็ได้เช่นเดินไปก็ดูเท้าว่าเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาเวลาก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายขวาก็ว่าขวาเดินไปธรรมดาไม่ต้องหัดเดินเดินแบบคนที่เดินเป็นนละ้ไม่ต้องหัดเดินยกก้าววางหนาะอันนี้มันมันไม่มันไม่จำเป็นให้เดินตามธรรมดาเดินยงกองก็เดินในท่าสำรวม เอามือควายไว้ข้างหน้าอย่าไว้อย่าควายไว้ข้างหลังไม่ควายไว้ข้างหลังนี้เป็นท่าขุนนางไม่ไ ม, ไม่ไม่บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การเดินการเดินจงกรมถือว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องมีท่ากิริยาที่อ่อนน้อมสำรวมก็เอามือขวาวางทับมือซ้ายไว้ข้างหน้าแล้วก็เดินตาก็ทอดไปข้างล่างข้างหน้า อย่าหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาอย่าไปมองดวงท้องฟ้าดวงดาวดูนกดูอะไรต่างนั้นสแสดงอาการใจลอยอให้ใจอยู่ที่เท้าที่เราเดินหรือว่าถ้าจะใช้พุทธโธก็อยู่กับคาบริกรรมพุทธโธไปแต่ก็ยังต้องดูเท้าอยู่ดีเพราะว่าเดี๋ยวไม่ดูเดี๋ยวงูมันอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเดินไปเหยียบมันเข้าท่านชอบเดินรงกลมในป่าเพราะมันจะทาให้มีสติดีมันจะไม่ใจลอย ถ้าเดินที่มาปลอดภัยเดี๋ยวมันไม่ดูที่เท้ามันจะดูที่นูน่นที่นี่เห็นหนูน่นเห็นนี่ไปแล้วใจก็ฟุ้งแต่งไปแทนที่จะว่างจะสงบก็เลยไม่ว่างไม่สงบดังั้นต้องพยายามเดินให้มีอะไรคอยกากับใจควบคุมใจเช่นการเฝ้าดูเท้าที่เราเดินหรือทำบริกรรมพุทโธพุทโธไปแต่การเดินนี่จะไม่ทำให้จิตสงบเป็นสมาธิได้ คือจะทำให้หายไม่ฟุ้งซ่านทำให้ใจว่างได้แต่ไม่ถึงกับรวมแต่อยากจะให้รวมก็ต้องไปนั่งต่อพอใจรู้สึกเบาเย็นสบายแล้วเมื่อยแล้วอยากจะหยุดเดินก็ไปนั่งหลับตาแล้วแทนที่จะดูเท้าก็ดูลมหายใจแทนดูลมหายใจเข้าเหมือนกับเราดูเท้าหายใจเข้าหายใจออกหรือพุโทโธพุทโธไปเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ต้องใช้ทั้งสองอย่างแล้วแต่เราถนัด จะเอาพุโทโธอย่างเดียวไม่เอาลมก็ได้จะเอาลมอย่างเดียวไม่เอาพุโทโธก็ได้แต่ถ้าจะเอาทั้งสองอย่างก็ได้ถ้าอยากถ้าถนัดอย่างนั้นพุทเข้าโทออกก็ได้แล้วข้อสำคัญก็คืออย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเวลานั่งแล้วเกิดมีอะไรมาให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจบันทีนั่งแล้วมีรู้ความรู้สึกว่าเอ็นไปทางซ้ายเอไปทางขวาก็ไม่ต้องไปขยับร่างกาย บางทีอยากจะเกินน้ําลายก็อย่าไปเกินมันอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับดูโลมไปแล้วเ๋ยวอาการต่างๆเหล่า น, นี้มันจะหายไปแล้วใจจะสงบต่อไปคําถามจากคุณต้นทุนค่ะผมนั่งสมาธิได้ไม่เกินสามสิบนาทีเลยผมสังเกตหลายครั้งจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับผมจะก้าวผ่านจุดนี้ได้ยังไงครับก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นต้องมันพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาที่เรามานั่งอย่างเดียวเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดกับการงานทํางานแล้วก็พุโทโธไปเช่นตื่นเช้าขึ้นมาลุกขึ้นจากเตียงเดินเข้าห้องน้าก็พุโทโธไปเลยพุโทโธพุโทโธล้างหน้าแปรงฟัน แ, แต่งเนื้อแต่งทัวรับประทานอาหารก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเดินทางไปทํางานก็พุโทโธไปพอถึงที่ทำงานต้องใช้ความคิดกับงานก็หยุดพุดโทโธเฝ้าดูงานที่เรากําลังทําอยู่ ถ้าตามเรามีอย่างนี้เวลามานั่งสมาธิมันจะสงบได้นานกว่าคำถามจากคุณสุนีค่ะสวดมนต์อย่างเดียวแต่ไม่ได้นั่งสมาธิแล้วสวดแผ่เมตตาให้คนที่ร่วงลับไปแล้วเขาจะได้รับบุญใหม่คะไม่ได้หรอกเพราะบุญยังไม่เกิดเรายังไม่ได้ผลจากการสวดมนต์นั่งสมาธิจิตยังไม่เป็นสมาธิสองพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้อุทิศบุญด้วยการนั่งสมาธิ ท่านสอนให้เราอุทิศบุญด้วยการทําทานถ้าอยากจะทําทานก็อย like ่างที่ญาติโยนเนี so ่ยซ <hockey> ื้อข้าวซื้อของมาถวายพระแล้วก็อุทิศบุญได้เลยง่ายกว่าง่ายกว่ามานั่งสมาธิแล้วนั่งก็ยังไม่สงบอยู่ดีจิตยังไม่รวมรวมแล้วก็ไม่รู้ว่าอุทิศได้หรือเปล่าเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้อุทิศแบบนี้ท่านสอนให้เราอุทิศด้วยการทําทานแล้นถ้าอยากจะอุทิศบุญก็ต้องทําทาน ถ้าต้องการจะแผ่เมตตาก็ต้องไปแผ่ตอนที่เราพบปะกันไม่ใช่นั่งคนเดียวแล้วไปแผ่นั่งคนเดียวแล้วไปแผ่ขอให้เธอมีความสุขนะแล้วพอมาเจอหน้ากันก็ด่ากันทะเลาะกันเอจะแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราพบกันที่เราสวดนะั่นไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการสวดสอนใจสอนให้เรารู้จักวิธีแผ่ว่าเราก็ต้องมีความเมตตาต่อกันแล้วเวลาเราเจอกันเราจะได้แผ่เมตตาเป็น แต่ไม่ได้ตอนที่เราอยู่คนเดียวไม่ได้แผ่เพราะไม่มีใครมารับความเมตตาจากเราเราต้องแผ่ตอนที่เราเจอกันอย่างนี้ญาติโยมมาหาที่นี่มาที่นี่ก็มาแผ่เมตตาเอาข้าวของม า, มาให้พระสงฆ์องค์เจ้าก็มีความปรารถนาให้พระสงฆ์องค์เจ้าอยู่อย่างสุขอย่างสบายนี่ก็เป็นความเมตตาอย่างหนึ่งหรือถ้าทะเลาะกันก็ให้อภัยกันอย่าทะเลาะวิวาทกันอย่าอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม อันนี้ก็เป็นการแผนเมตตาหรือทําอะไรก็อย่าไปทําร้ายกันทํางานแข่งขันกันก็แข่งกันด้วยกฎกติกาด้วยความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตริทําไปตามกฎกติกาแพ้ชนะก็แพ้ชนะตามกฎกติกาไปไม่ใช่เล่นกันแบบทําร้ายกันตัดแข่งตัดขากันอะไรขัดแข่งขัดขากันอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นความเมตตา คำถามจากคุณลุ่งนิรันด์ค่ะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้สาเร็จพระโสดาบันครับก็ต้องนี่แหละต้องมีกําลังต้องมีสติมีสมาธิถึงจะมีกําลังที่จะใช้ปัญญาโปรงได้ปล่อยวางร่างกายได้พระโสดาบันต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นของขวัญที่เราได้มาจากพ่อแม่ของขวัญมันจะมากลายเป็นตัวเราได้อย่างไร แต่ไหมเวลาโยมได้ของขวัญมาเนี่ยของขวัญมันจะกลายเป็นตัวโยมได้ไหยมันก็เป็นของขวัญอ่ะเช่นพ่อแม่ให้รถยนต์มาเนี่ยแล้วเราขับรถยนต์แล้วเรากลายเป็นรถยนต์ไปหรือเปล่ารถยนต์ก็ยังเป็นรถยนต์อยู่เราก็ยังเป็นเราอยู่เราก็คือตัวรู้ตัวคิดเนี่ยเราได้รับร่างกายจากพ่อแม่มาแล้วตัวรู้ตัวคิดจะกลายเป็นร่างกายขึ้นมาได้ไงเนี่ยมิจฉาทิฏฐิมันเข้ามาคิดเองมา มาหมาเข้ามาเองมาคิดเองว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเราก็ต้องมาแก้ด้วยปัญญาของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของพ่อแม่ให้เรามาพ่อแม่ก็ขอมาพ่อแม่ก็ออกมาจากดินน้ํำลมไฟทีหนึ่งามาจากอาหารที่เรากินเข้าไปลมที่เราหายใจเข้าไปน้ําที่เราเดื่มเข้าไปมันก็เป็นดินน้ํำลมไฟทำไมแล้วเดี๋ยวร่างกายเวลามันตายไปมันกลับไปกลายเป็นอะไร มันก็กลับไปสู่ดินน้ําลมไฟไม่ใช่เลยร่างกายเผาแล้วน้าก็ระเหยไปหมดนมก็หายไปหมดไฟก็หายไปหมดเหลือแต่ดินเหลือแต่ขี้เถ้ามองให้พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ําลมไฟเป็นขี้เถ้าเป็นไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่กลัวตายนะเราก็จะปล่อยมันได้เพราะถ้าเราเห็นว่ามันไม่เป็นเรา เราก็จะไม่ไม่ยึดไม่ติดไม่ถือว่าเป็นของเราเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความเจ็บได้ถ้าปล่อยวางความเจ็บปล่อยวางความตายได้ก็เป็นโสดาบันได้คําถามจากคุณประหยัดค่ะการเดินจงกรมจะต้องเดินเวลาใดเหมาะสมที่สุดครับก็เวลาที่เราเมื่อยไงนั่งแล้วเมื่อยเราอยากปฏิบัติต่อเราก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ย แต่ถ้าเราปฏิบัติวันละครึ่งชั่วโมงนมี้ไม่ต้องเดินก็ได้คนที่เขาเดินกันนี่หมายพว่หมายถึงคนที่เขาปฏิบัติกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยพระเนี่ยเขาปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับพอเวลาเกานั่งสมาธินา น, านๆเมื่อเขาก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนนิริยาบทมาเดินหรือว่านั่งแล้วหลับง่วงนอนนี่ก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเพราะการเดินมันจะทําให้หายง่วงได้เดินเพื่อที่จะได้กลับไปนั่งใหม่ พอเดินแล้วหายเมื่อยแล้วก็กลับไปนั่งใหม่เป้าหมายคือการนั่งสมาธิการเดินนี้เป็นการเสริมเสริมสติสร้างสติแล้วก็เป็นการผ่อนคลายความเจ็บปวดเมื่อยล้าของร่างกายพอหายหายเมื่อยแล้วหายปวดแล้วก็กลับไปนั่งต่อเพราะว่าเวลานั่งจิตถึงจะรวมเป็นสมาธิได้ถ้าเดินมันจะไม่รวมแต่ถ้าอยู่ในขั้นปัญญาเวลาเดินก็สามารถจเจริญปัญญาได้ พิจนรณาตายรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาได้พิจารณาร่างกายว่าเป็นดินน้านมใครได้อันนี้ก็จะเป็นปัญญาเพื่อที่จะเอาไปใช้ปรองต่อไปอเวลาที่ร่างกายเจ็บเวลาร่างกายเจอความตายก็จะได้ปล่อยวางได้ถ้ามีปัญญาคำถามจากคุณสิรินันค่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว แต่การที่เราเห็นผู้ที่ทำชั่วทำบาปแล้วยังได้ดีมีสุขนั้นเกิดจากการที่ยังไม่สมผลเหรอคะไม่หรอกสิ่งที่เราเห็นว่าเขาได้ดีนี่มันไม่ใช่เป็นของดีหรอกเช่นได้ลาบยศได้ร่ารวยได้เป็นใหญ่เป็นโตนี่ไม่ได้เป็นของดีหรอกมันเป็นทุกข์แต่เราไปมองเห็นว่าเป็นของดีอเพราะรวยแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องจนเวลาตายก็ต้องเสียไปหมดมันก็ลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา งั้นการทำความดีนี้ถ้าไม่ได้หมายถึงดีทางราบยุทธสารเสริ์ถ้าหมายถึงความดีในความในใจใจดีใจสุขใจเย็นใจสบายใจมีความเมตตามีความกรุณาอันนี้ต่างหากคือผลที่ได้จากการทำความดีไม่ได้ผลภายนอกผลภายในผลภายนอกนี้เป็นผลพลอยได้ซึ่งไม่ได้มันไม่ได้ดีหรอกพระพุทธเจ้าบอกมันเป็นทุกข์มันจะดีได้ไง ลาบยศเสริเสริญสุขนี่มันเป็นทุกข์แต่เราไม่เข้าใจกันเราคิดว่าทำทำดีแล้วเราจะได้รวยจะได้เป็นใหญ่เป็นโตอันนั้นไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการแต่อาจจะเป็นผลพลอยได้แต่เราไม่ยินดีคนที่ทําความดีที่รู้ความดีจริงๆผลของความดีจริงๆ ว, ว่าอยู่ที่ใจคือใจสงบใจมีความสุขอันนี้แหละที่จะทํา ท, ที่เป็นผลที่เราต้องการเวลาญาติโยมมาทำบุญนี่ญาติโยมมีความสุข อยากยอมต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนกลับไปหรือเปล่าไม่ต้องการไม่ได้ไม่ได้อยากจะให้รวยขึ้นไม่ได้อยากให้เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นทำเพื่อความสบายใจทำเพื่อความสุขใจอันนี้แหละคือความดีคือผลทางจิตใจอย่าไปมองผลทางภายนอกเพราะบางทีมันจะทำให้ท้อแท้ทำแล้วไม่ได้ผลทำขยันยังไงเขาก็ไม่เห็นเราเขาไม่ชอบเราเขาก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้เราเขาก็ไม่เลื่อนตาแหน่งให้เรา น, นี่ดนั้นต้องให้รู้ว่าผลของการทำความดีนี้อยู่ที่ตรงไหนกันหน้าอยู่ที่ใจใจจะดีขึ้นใจมีความสุขมากขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้นเนี่ยคือความดีคำถามจากคุณกมณพรค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์อุปมาเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆเรื่องโทษของการมาคุณเรื่องโทษของการมคุณห้าค่ะ ก็อย่างที่เล่าให้ฟังเรื่องกาแฟนี่เห็นไหม mm. เวลาได้ดื่มก็สุกนะเวลาไม่ดื่มมันมั น, ม, นมันทุกข์แล้วสุขอนะ่ะ mm. แล้วเราจะได้ดื่มตลอดเวลาหรือปเปล่าบางเวลาอยากได้ดื่มแล้วไม่ได้ดื่มมันก็ทุกข์ขึ้นมาลูกเสียงกลิ่นรถไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเวลาได้เสพก็สุขแต่เวลาอยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพก็จะทุกข์กันอยากจะไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวมันก็ทุกข์กันนะ อยากจะไปเที่ยวจองตัวว๋วไปแล้วเดี๋ยวพอจะถึงเวลาไปไม่สบายแล้วเ <c oughs> กิดอุบัติเหตุล้มขาแพงเดินไม่ได้ไปไม่ได้ต้องอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลมันก็มันกลายเป็นความทุกข์ไปเพราะอยากจะไปแล้วไม่ได้ไปนี่ก็คือตัวอย่างเดี๋ได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวแฟนเลิกกันนี่แฟนทิ้งไม่มีแฟนใหม่เนี่ย อันนี้ก็กรรมคุณฑแฟนก็เป็นกรรมคุณฑ์ห้า <c oughs> เราเราเห็นแฟนทางตาใช่ไหมได้ยินได้ยินเสียงแฟนทางหูใช่ไหมก็รูปเสียงกลิ่นดรดลูกเสียงกลิ่นลดของแฟนเวลามีก็สุขเกิดเวลาไม่มีก็ทุกข์ขึ้นมา อ, มอะไรเขาพูดถึงแฟนได้ไรหัวเราทุกทีคําถามจากคุณรัตนาค่ะ ถ้าเรามีเวลาจํากัดอยากทําขนมไปใส่บาตรและก็อยากภาวนาด้วยควรทําอย่างไรคะก็ต้องเลือกเอาว่าอันไหนสําคัญกว่าอันไหนได้บุญมากกว่าถ้าระหว่างทําบุญทําขนมกับนั่งสมาธินี่สมาธิมันได้ได้มากกว่าเหมือนกับทํางานสองที่ที่หนึ่งได้เงินเดือนน้อยกว่าอีกที่ได้เงินเดือนมากกว่าเราจะไปทําที่ไหนดีเราก็ไปเลือกเอาทําที่มันได้เงินเดือนมากกว่า ถ้าต้องเลือกระหว่างทำทานกับการไปนั่งสมาธิไปเปีกวิเวกก็ไปปีกเวกนั่งสมาธิดีกว่าไปทอดผ้ป่าไปทำ บ, บุญถวายผ้ากระถินอะไรอย่างนี้คำถามจากคุณบุตรกรค่ะจิตคืออะไรสติคืออะไรเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรมีส่วนทําให้เกิดปัญญาได้อย่างไรคะจิต ก, ก็คือผู้รู้ผู้คิด สติก็เป็นตัวที่จะมาคอยควบคุมผู้รู้ผู้คิดให้คิดไปในทางปัญญาก็ให้คิดไปในทางที่เป็นความจริงให้คิดแปลว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ใช่ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้าไม่มีปัญญามันก็จะไปคิดกลับกันไปคิดว่าทุกอย่างเที่ยงเป็นสุขเป็นของเราใช่ไหมถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนนี้พวกเราจะคิดว่าไอ้นั่นก็เป็นของเราไอ้นี่ก็เป็นของเราไอ้นั่นก็เป็นสุขไอ้นี่ก็เป็นสุข อันนั้นอันนี้ก็จะเป็นไปของเราไปนานๆจะอยู่กับเราไปนานๆแล้วมันเป็นหรือเปล่าไม่เป็นแสดงว่าไม่มีปัญญาเราต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสร้างปัญญาให้กับเราอีกทีนึงแล้วเราต้องอาศัยสติเพื่อดึงใจให้มาคิดในทางปัญญาถ้าเราไม่มีสติมันก็จะไม่คิดในทางปัญญามันก็จะไปคิดในทางความหลงตามนิสัยเดิม มันก็จะคิดว่าอันนั่นก็นดีอันนี่ก็ดีได้มาแล้วจะมีความสุขแล้วก็มานั่งร้องไห้ทีหลังมาฆ่าตัวตายทีหลังกันเพราะอะไรมันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาคำถามจากคุณถาปณีค่ะถ้าเรามีญาติเราที่กำลังจะเสียเราจะทำยังไงให้จิตดวงสุดท้ายของเขาไปอย่างสงบดีคะเราทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากถ้าเรา เราเป็นเราเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์ที่รู้จักสอนวิธีให้เขาทำใจให้สงบถ้าเราสอนให้เขาทำใจให้สงบได้เขาก็จะไปดีแต่เรายังทำใจเราสงบไม่ได้แล้วเราไปสอนให้เขาทำให้สงบไม่ได้หรอกมันก็อยู่ที่ความสามารถของเราเนี่ยคนตายคนใกล้าตายยังอยากจะให้พระอริยะพระปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบไปเยี่ยม เพื่อได้พูดธรรมะให้ฟังพอพูดแล้วใจเขาสงบเขาก็ไปดี <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็ไม่สามารถที่จะสอนให้เขาทำใจให้สงบได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะสงบเสมอไปก็อยู่ที่ตัวเขาเองแล้วว่าเขาทำได้หรือเปล่าขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขายังไม่ทำเลยแล้วเวลาเขาจะตายนีย่เขาจะทำได้หรือเปล่า <Yeah. S 2> บอกให้พุทโธพุโทโธนี้ได้หรือเปล่ามี mm. พูดมารุ้ไม่รู้กี่ปีแล้วกี่เดือนแล้วให้พุโทโธพุทโธเนี่ย ได้กันหรือยังมันก็ยังไปคิดเรื่องรู้เรื่องนี้กันอยู่อ่นั้นเคำถามจากคุณณพลค่ะการที่เราศรัทธาในรอยสักยันแบบโบราณช่วยให้เรามีกำลังใจในการทำความดีและมีกำลังใจให้ทงความดีไม่ใช่เพื่อความหนังเหนียวความขลังเช่นนี้ผิดไหมครับ ถ้าทาแล้วถ้าทำแล้วเราทำความดีได้ก็ไม่ผิดแล้วแต่ความเจรไม่มไม่ต้องมีอะไรก็ได้ให้เชื่อในคำสอรว่าทำดีได้ดีก็พอแล้วไม่ต้องมาสักมาทำอะไรเพื่อให้เราไปทำความดีกันไม่คอนเรื่องกันอย่างนั้นคนที่เขาทำความดีทุกคนก็ต้องมาสักกันนะคำถามจากคุณนันทนาค่ะทำงานกับหัวหน้าที่มีโทสะแรง เอาทรมาข้อไหนมาใช้ดีคะก็ทาใจว่าเราเป็นเราเป็นแจ๋วก็แล้วกันเราเป็นลูกน้องเขาเขาจะด่าเขาจะว่าไงก็เราก็ต้องยอมรับเพราะเขาเป็นเจ้านายเราอย่าไปถือว่าเราเป็นเจ้านายเขาก็แล้วกันแล้วเราก็จะอยู่กับเขาได้คำถามจากคุณรุ่งน้รันคค่ะทางใจจะปล่อยวางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างไรขอรับ ก็คือเนี่ยต้องใช้สติจะเราใช้สติเราก็จะปล่อยวางความคิดสังขารได้ปล่อยวางสัญญาเพราะเราจะหยุดมันไม่ไปยุ่งกับมันใช้พุทโธพุทโธเราก็จะหยุดมันปล่อยวางมันได้หรือใช้ปัญญาสอนให้มันคิดไปในทางที่จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะปล่อยวางปล่อยวางขันได้ปล่อยวางนามาขันได้ว่าทุกอย่างเป็นทุกข์อย่าไปยุ่งกับมัน หยุดคิดหยุดปรุงแต่งสังแต่ว่ารู้ไปรู้เฉยๆไปคําถามจากคุณปานีค่ะหนูนั่งสมาธิแล้วทําไมถึงได้ยินเสียงถึงได้ยินเสียงเยอะจังคะเพราะหนูไม่มีสติไงนั่งแล้วต้องมีสติต้องพุโทโธพุโทโธไปแล้อดูลมหายใจไปอย่านั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วยวจิตมันมันปรุงแต่งของพวกนี้ขึ้นมาหลอกเราเอง ถ้าเปอยู่ที่เปลี่ยวๆก็จะเห็นผีเต็มไปหมดนะคำถามจากคุณณพลค่ะเคยรู้มาว่าศีลมีขั้นยากขั้นกลางขั้นละเอียดเป็นเช่นไรครับอ้าวก็ศีลห้านะขั้นยากนะศีลแปดศีลสิบกนะ็ขั้นกลางศีลละเอียดก็สองร้อยี่บเจ็ดสามร้อยกว่าข้อนะละเอียดยิบขึ้นไปยิ่งมากก็ยิ่งละเอียดเหมือนกับตาข่ายตาข่ายแล้วที่เราจะใช้ป้องกัน เราเวลาเราจะล่อนอะไรเนี่ยถ้าตาข่ายมันหยาบเราก็จะเราก็จะล่อนได้แต่ของห ย, ยาบหยาบถ้าถ้าตาข่ายมันละเอียดเราก็จะล่อนของที่ละเอียดได้หมดแล้วยังกอจะลองอีกคำถามอา อ, าอายสักพักก็ได้ยังได้แต่ยังมีอยู่ก็ถามไปคำ ถ, ถามจากคุณยานิ t h าค่ะแถวว้านมีสุนัขจรจัดเยอะเวลาเดินผ่านถือไม้ไว้ป้องกันตัว สีนจะด่างร้อยไหมคะที่ต้องถือไม้เพราะเคยโดนสุนัข ก, กัดมาแล้วค่ะ อ, อ๋อไม่ไม่ด่างรา้อยหรอกเรามีไว้เพื่อปลามันห้ามมันหลวงตาสมัยก่อนที่ท่านมีหนังสติ๊กคอยไล่ลยิงหมาเพราะหมาจากชา บ, บ้านหมูบ่บ้านมันจะชอบแอบไปที่วัดแล้วไปไปที่โรงครัวไปไปลือ้อข้าวลื้อของทัานก็เลยต้องใช้หนังสติ๊กคอยปลามันที่บนเขานี่เราก็ใช้หนังสติ๊กคอยไล่ลิง ยิงเมื่อก่อนมันชอบมาลือข้าวลื้อของนะเราก็ต้องเอาสถิติมาไลายย่ยิงมันยิงมไม่โดนมันหรอกแต่มันได้ยินเสียงมาปั๊บมันก็หนีแล้วนั้นเราไม่มีมาตรการมันก็จะไม่กลัวเราก็ต้องมีการปราบกันไว้เฉะนั้นการกระทําแบบนี้ไม่ถือว่าบาปแต่อย่างใดเพราะไม่ได้ทําให้ใครเขาเสียหายหรือเดือดร้อนไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทําอะไรนี่ไม่ไม่ไม่บาป คำถามจากคุณชนะตนค่ะตอนใกล้ตายจิตจะอ่อนจะไปตามอาจินกรรมที่ทําไว้หรือความหนักเบาของบุญคะเช่นถ้าเราทําทานรักษาศีลภาวนาบ่อยๆตัวไหนจะพาจิตไปเกิดต่อคะก็แล้วแต่ตัวไหนมีกําลังมากกว่าไงจิตเราเหมือนเป็นเหมือนเกวียนอย่างนี้แล้วเรามีวัวส อ, สองตัวตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังมันก็จะลากเกวียนไปคนละทิศกัน ตัวไหนมีกำลังมากกว่ามันก็จะลากไปทางนั้นถ้าบุญมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงจิตไปสู่สุคติถ้าบาปมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงไปสู่ทุขติบุญกับบาปก็คือบุญที่เราได้ทำสะสมกันไว้แต่ละวันนี่แหละมันยังไม่ได้ส่งผลมันจะมาส่งผลตอนที่ไม่มีร่างกายตอนที่ร่างกายตายทีนี้ตอนนั้นแหละมันก็จะเป็นตัวที่จะมาคอยลากจิตไปทางใดทางหนึ่ง ถ้าบุญที่เราสะสมไว้มีมากกว่าบาปมันก็จะดึงไปทางสวรรค์ไปทางสุกติถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญมันก็จะดึงเราไปทางทางอบายแล้วพอเราไปใช้บุญใช้บาปจนกระทั่งบุญก็ไม่สามารถดึงให้อยู่ในสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงให้ไปอบายได้เราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่คำถามจากคุณกันทพลค่ะผู้ที่จะบรรลุทาได้ จะต้องปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจางังเอาชีวิตเข้าแรกจึงจะสําเร็จจริงหรือไม่ครับก็ทุกคนเนี่ยพระครูบาอาจารย์ทั้งหลายตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาท่านก็เอาแบบเอาจริงเอาจางังไม่มีใครเล่นกันหรอกปฏิบัติได้เล่นก็พวกเราเนี่ยแหละแต่ <c oughs> ไม่ได้อะไรกัน <c oughs> ดูคนที่เขาเอาจริงเอาจังนี่กระดูกเขากลายเป็นม่มาทากันหมดนแล้วคําถามจากคุณบุตรกรค่ะ ผู้บริกรรมกับผู้รู้คาบริกรรมคือสิ่งเดียวกันหรือไม่คะผู้บริกรรมก็คือสังขารความคิดปรุงแต่งผู้รู้บริกรรมก็คือใจหรือจิตผู้รู้คนตัตัวกันคำถามจากคุณจาปางามค่ะเหนื่อยรอดเลยเหนื่อยรอดเลยถามเลยนั่งสมาธิแล้วเห็นแสงสว่างเป็นดวงกลมๆค่ะ สิ่งนี้อยากพินิชต่อแต่ก็รับหายับหายเป็นมืดอีกค่ ะ, ะต้องตั้งสมาธิอีกแบบนี้เรียกว่าอย่างไรเจ้าคะไม่ควรที่จะไปสนใจควรสนใจอยู่กับลมหรือพุทโธไปอย่างเดียวเพราะอันนี้เป็นผลพลอยได้ไม่มีประโยชน์อะไรกับกะทางปฏิบัติเราต้องการความสงบความว่างความเป็นอุเบกขาอันนี้จะเป็นกำลังของใจที่จะไปใช้กับปัญญาเพื่อฆ่ากิเลส ต, ต่อไป ถ้าเห็นอะไรแนละ้วมันไม่มีทําให้เรามีกําลังแต่อย่างใดก็เหมือนกับดูหนังภายในหลับตาแล้วก็ดูอะไรไปอย่างนี้ใจก็ไม่สงบใจก็ไม่มีอุบเบกขาไม่มีความสุขออกจากสมาธิมาก็เหมือนกับไม่ได้นั่งสมาธิเวลานั่งแล้วเห็นอะไรอยาไปสนใจแสดงว่าใจเราเผลอล้วไม่มีสติแล้วไม่มีพุโทโธและไม่ได้ดูลมนะยังต้องกลับมาพุโทโธต่อมาดูลมต่อ อย่านั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วจิตมันก็จะสร้างอะไรแปลกๆมาให้เราเห็นกันคาถามจากคุณตานีค่ะวันพระรักษาศีลแปดอยู่ที่บ้านแต่ไม่ได้สมาธิเลยจะได้บุญไหมเจ้าคะก็ได้บุญที่เกิดจากการรักษาศีลไงต่บุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิยังไม่ได้ต้องให้ใจสงบเอาอีกสามข้อกันแล้วกันนะคำถา ม, มจากคุณปภาทันค่ะ นั่งสมาธิได้หนึ่งชั่วโมงก็เริ่มเจ็บแล้วต้องทนกับความเจ็บต่อไปหรือต้องปล่อยวางคะอย่าทนต้องพุทโธต้องขยันพุทโธถ้าทนแล้วมันทนไม่ได้ถ้าเราขยันพุทโธได้แล้วความเจ็บมันจะไม่มารบกวนใจจะอยู่ต่อไปได้ยิ่งเวลามันเจ็บแล้วต้องพยายามพุทสู้ด้วยพุทโธพุทโธยอมขาดใจตายไปกับพุทโธบังคับให้มันพุทโธให้ได้อีกสองข้อ คำถามจากคุณสิริค่ะความโลภนำหน้าทำยังไงดีเจ้าคะก็ต้องใช้ปัญญามาแกา้สอนใจว่าสิ่งที่เราโลภมันเป็นทุกข์เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดได้มาแล้วสุกเดี๋ยวเดีย ว, ยวแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะกลายเป็นความทุกข์เพราะจะติดได้แล้วก็อยากจะได้อยู่เรื่อยพอไม่ได้ก็จะทุกข์จะเสียใจหรือสิ่งที่ได้มาแล้วได้มาแล้วเสียไปก็จะเสียใจ สุดท้ายคำถามหมดแล้วค่ะพอดีเลยน ะ, ะ, ะกลับเ <c oughs> หนื่อยพอดีหมดเราจะหมดนมพอดีครับที่นี่มีใครอยากระถามตกท้ายไหย <c oughs> อาอย่างแมวเนี่ยเด็กเขาไปช่วยชีวิตมาแล้วเขาก็มาแล้วก็มามีมท้องแล้วเราก็ไม่อยากได้เขาอีกเพราเลี้ยงไม่ไหวอแล้วเราพาเขาไปทำหมันเราก็บาไม่บ้า <c oughs> แล้ว อ, อย่าไปอย่าไปเอา แมวที่อยู่ในท้องออกก็แล้วกันถ้าเขาท้องก็ต้องให้เขาคลอดออกมาแต่เราก็ไปทํำหมันกันไว้ไม่ให้มันคลอดออกมาใหม่ไม่บาปไม่ได้เป็นการฆ่าแต่อย่างใดเอาแค่นี้แล้วนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอนท